1. กัถฐปัญญติวาระวาระว่าด้วยบัญญัติณที่ไหน 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบในปาราชิกกัน247พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญตัตปาราชิก เพราะความยินดีการถูกต้องกายเป็นปัจจัยณที่ไหนทรงปรารบใครเพราะเรื่องอะไรและใครนำมา